คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติตนอยู่เช่นอย่างพระยศคุณระบุตรยุรธศาสารีบุญโมกคันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านที่เป็นอุคติตนอยู่ขอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อายศกุณบุกอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบ่นไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ขลับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายอพอเข้าไปก็ ประทานพระรว่าก็สำเร็จมักผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนยังไม่ง่ายถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ ทำหน้าที่ตัวกันลกแล้วโรคแล้วก็ระงับไปโดยทันทีไม่ยากอะไรเลยแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็หมอให้ยามานับทานก็หายไปเลย นี่ถ้าเราพูดขั้นนึ่งเป็นอย่างนีง้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่านั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึงข น, ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญหรือตลาดขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคแพ น, นิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามดึตามกม จิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่ไหมที่คอยรับยาอยู่แล้วพยายางท่านอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิกันอยู่แล้วกลับมาเนยะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอจุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุกษาหพยายาม เกี่ยตรการด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายผลทำซ้ำๆซากๆทำมาก็ค่อยๆอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเ ม, มื่อเราทำมาหยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสค่อยขอยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากเป็นงใดอำ น, นาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่ อยากแสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอานาจมา ก, มากขอความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึ้นเ ข, ข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกําลังอ่อนอานาจลงไปธรรมะก็มีอานาจเข้าไปโดยลําดาับลำดับการปฏิบัติธรรมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะพยายามให้ทำเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเ ส, สมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่ล่ำเมลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสยิงต้องมีถ้าเราไม่ระมัดระวังยินงต้องผิด ผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลําบากการสั่งสมทำการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปรับปรามพิเลกจินเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพว่ความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤตปฏิบัติทางด้านธรรมะ เมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อ ย, ยงงอย่างไรใจก็จะค่อยเเผยความเยี่มเยี่ยมแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลำดับีธรรมจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความปเป็ดินโดยทั่วกันซึ่งตะกวนอบรมให้มีขึ้นภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคคือเคยได้อธิบายมาหลายครัง้งแลายหนแล้วการแค่กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมัน ขอตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ยาตายาของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังลึกฐานลงอย่างนึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างออกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยเพราะที่จะบอกแล้วเอามาลทางเลยอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นพูดง่ายๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจนารณาแล้ว น, นั้น ใจดำเดนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาเกาะกวนจิตใจให้รับความทุกข์ความลําบากคือเรื่องของยิเล็กก็มีน้อยอยู่เป็ น, น้ําหนับในวาระท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงบาำพระท่านอยู่พระทั้งภูตระการมีจํานวนมากมายที่หุ่งต่อแดนพ้นทภพและประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้ อง น, นั้นสาเร็จอยู่ที่นั่นอง น, นี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาดโดยอำดับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผลเห ม, มือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบำเพ็ญของท่านท่านสลับเป็นสลาตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตาม เมื่อในมุงหน้ามาประพฤติปฏิบัติทำรรด้วยความเชื่อความนส่ใจต่อข้อว่าคำสังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนทั้งหมดสลิยนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลัดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดําเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมอิมออ่มขอให้ได้บำเพ็ญ ทำเพื่อความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวพรท่านดำเนินนั้นแล้วถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปฏทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิิทานที่ราบอื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิิทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยำลำดับไม่ว่าการในสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไม่แล้ว ต้องไปผลเป็นที่พึงใจโดยลำหนักคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ได้ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นน้อนเขาวุ่ น, เ ข, นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่ทังนั้นอยู่ตามประทาาของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่บควนให้วุ่นวายนั่นเองนี่ ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี่ที่นีไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นว่าภายาใน จ, ใจิตใจภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี่ไม่วุ่นวายพยศแต่พูดถึงเชื่อพยศก็เอายศเข้ามานี้ที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องทรงาบชื่อทราบนามเขารู้ไม่ทราบขอตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้ว ที่นี่คือสถานที่นี่เขาเป็นสถานที่บำเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบำเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นถ้าพูดถึงสถานที่เขาสถานที่นั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่ระงับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบ เรงับลงไปดูเราโดยลำดับจนกระทั่งถึงความราบคาบที่เดยกไม่มีเหลือว่าภายในใจแม่พระไทยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระไทยที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระไทยที่ยุ่งเหิงวุ่นวา ย, ยานั้นจึงเรียกบทะยวเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุ่งเหิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้กความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่ จ, จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับ ผลเป็นที่พอใจโดยลําดับลําดับน่นาเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเรานี้ไม่มีที่อยู่เมื่อความวุ่นวายที่ก่อปรวนอยู่ภายในจิตใจสงับดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วพี่ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมด มีใจดวงเดียเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจใเฉยๆแลกก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิงนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิ่งในงจืจิตจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแก้กิเลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบตัติเห็นคำสอนให้กำหนดพุดโทโธธโมสังโฆเป็นเครื่องบริกรรเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรก นี่ก็คือเพืพ่อระงับความวุ่นวายแล้วต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องลดเครื่องสัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสําคัญนั้นหมายกับสิ่งนั้นสิ่งอนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นบาขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายใน จใจก็สงบระงับลงไปได้นี่การแก้ที่เละแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี้เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระ ง, งับกลับลงไปได้เอ้อเสียงมันนินเปงไงวะ่าลืมยจะนีสจากจุดนี้วัตตะจักก็คือจิตอม เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลาบากทั้งหมดคือจิตอ้าวอาลงที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคำว่าคือจิตนี่ก็คือคือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสำรอบปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งทังที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสาคัญด้วยความต้องการเฉย ต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกาจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้จะอัตถันนี่เป็นหลักใหญ่เอาบำเพ็ญลงไปคำว่ า, าอาัตถิยตนนนาโทดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นนาน จ, จิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอาัตถิยตนนนาโถ สติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามปราบตามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมามีเหตุมีผลผิดความขยัน ม, มันเกิดขึ้นได้ความขี้เกียจทิ่ค้านี้เราเคยได้เงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมแต่เราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหม คนโง่ทําอะไรให้สําเร็จรุ่ร่วงเพด้วยความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วอ่ทําอะไรไม่สาเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ทีเราต้องการจะให้เห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงของศาสนาธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทำํำวิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ข้านี่เข้ามาเป็นผู้นําทางเหลย หรือจะนำความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความที่เจเพิ่มความโง่เขกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามปิดขึ้นมาความฉลาดปิดได้ พยายามคิดอ่านแต่กรองอยู่เสมอที่แรกต้องพยายามผักคิดผักคน้นมากกว่าเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาหพยายามความบุกบืนหรือความเชื่อความนิสัยความดุดดืนภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุกเป็นเครื่องดึนดูดให้เป็นไปกแก้ลงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไป่าดไปหมายที่มุนที่นี่ เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆาพาหมายแล้วไม่ดูมันอืขาดแต่ที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้วนแล้วแต่ก็มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก่ที่ขายจะไม่เห็นที่ระงับกลับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏ ถ้ามาระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ี่ต้องแต่มันที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกําหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกําหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจดจ่อเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงและความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นล่ะมันเป็นสนามลบด้วยดีแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้น อวามวู่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความต้องการมั่นหมายนั่นแหละมันแค่เกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นอันน้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตตัวของมันไปสำคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาคนประเด็นให้รความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้ ห้ามถึงให้ย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ถ้าเห็นความจริงกับกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เวลานี้มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์แต่ความมันยังไม่เกิดทําไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกข์ังแล้วก็เป็นตัวนิจจังอนัตตาอยู่แล้วรู้ให้มันชัดนี่แหละเป็นหินรับปัญญากําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิต จิตมันคิดไปในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติแค่ควรดูด้วยดีแล้วเนี่ยที่ว่าถูกต้องแล้เป็นทางที่จะงับกับทุกข์ลงได้เดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกข์ท่นดับทิ้งถ้ามีสติปัญญาหนดับได้ตรงนี้อ่ะมีความเพียนเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกข์นี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับ ความอย่างนี้เป็นความเก่าเป็นสิ่งกอ่อกรวนจะเพิ่มพุกขึ้นมาเมื่อันเมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกเวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร <S <S จะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้และเป็นสิ่งที่จะงดกลับทุกข์ลงได้<ม>โดยไม่ต้อ ง, งสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสําคัญและไม่ต้อง ไปปทนนาทนามไต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์เอาต้องการแต่ความจริงให้รู้ความปิงดูความจริงถ้า ม, มันเห็นมันทุกข์ไม่ได้มันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาเราให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอา่าพิจารณาเราในสนามรบนี้ระหว่างขันกับจิตเนี่ยเป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลส น, น, นั่นเป็นอันห ขันเป็นอันหนึ่งมันเป็นคนละอย่างละอย่างขันไม่ปกติขันอะไรก็าตามไม่ปกติจิตก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องกระเทือนไปด้วยเพราะจิตป ก, ะกะติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างสังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างสังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังไยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความขั้มขันนั้น มันเบาบางไปจนกระทั่งความต้องการนั้นหมดไปคํว่า น, นั่นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตั ด, ดขาดนี้เองตัดความต้องกญรว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราทุกก็เป็นเราร้อนจะตาก็เนี่ยว่าเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอา ม, มาทำใหมมันเหมือนกับไปว่ามันเป็นเรามาเผาเราได้แต่เผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาจะของอีกทุกข์กับมนรู้ว่ามันทุกกําหนดดูที่ตรงที่ว่ามันทุกด้วยปัญญาของเเราานนนั่และป็ควมต้ ตั้งอยู่ให้รู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกมันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นเนี่ยจิดทำไมไม่เห็นมันดับด้วยเนยมันเป็นเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนีนามันคชัดเจนถ้ามันดับเอามันจะตายโดยกันค่อยตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้นี่วิธีข้อขรานกิเลสในหลักปัจจุบันนัดทำตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้อ่ะ ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ธรรมนี้จะเป็นอย่างอื่นไปนไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือไปกิเลสโดยดีการแก้ไขด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติอยู่งนี้จึงเป็นการผูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพติธเจาพาัดนำมินมาอยู่ที่ไหนก็ตามหยาดละจุดที่ควรแก้ไขาจุดที่ควรตรวจจบับจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายาม ให้เข้าใจคือใจอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำระตัณหน า, ส า, สาด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเยดเรื่อยๆฐานของจิตคือความแน่นหนามันคงก็จะแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญา เมื่อนำมาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลาดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกปัญญามีมากอย่างไรกิเลสย่ำกลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่าทําลายจนไม่ปรากฏสติปัญญาเลยที่จะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันทุกข์มันเหยียบย่าทำลายบนอยู่นั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนมันไม่ทาใหม่ หน้าที่ของเรามียังไงฟาดลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความตัดความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วที่เรียนไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดนั่นแหละสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราต้องจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นกงจักรอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลําบากทั้งทั้งหลายนี่อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวาย เมื่อทราบ่นี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนมัวร์มันหมดเพราะกิเลสตัวก่อเวิให้เดือดร้อนวร์มันหมดไปเพื่อหน้าของปัญญาหมดทุกหมดที่จ่ายกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่ามาทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนั่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันมว่าไง เราจะไปสำคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงคราวริงก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเจะว่าไงมันไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันการตลาดขงธางขันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทำลายจิตใจให้คิดหายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทำหน้าที่ตามธรรมชาติของเขา คือทําหน้าที่ตามไตรลักษณ์คือในทางทุกุกขตาเขาประทับเข้าไปผู้ทศิลป์กดไตรลักษณ์ก็ให้รู้ไปวิจารณาไปเห็นตามเป็นยิงไปเแม่ไปคิดว่าผู้ฉลาดนี่แหะทำมาผู้ศรัธรทมาให้ฉลาดที่ตรงนี้สวดให้ดีนะผู้ศรัทธาทำมาจะไปคอยแต่งเอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะเป๊ะเลยสาคัญจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลธรรมก็เท่าเดิมมันแหละ ว่าส่วนนั้นมันถูกจุดสิส่วนกุศลาทํามาแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบนะความโง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้อกุศลธรรมะมันก็อยู่ที่จิตมันอยู่ที่ไหนนี่นะอภยายกาตาทำมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมะก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก่จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมะก็ใหม่สนใจจะพูดเสียเวลา อากุศลธรรมากวเสียเวลาอภิยะธรรมากว่าเสียเวลารู้ตามความจริงนั้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมากุศลธรรมาแลถามามันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใจเนี่ยความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกหลวงโลกเ่ยพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วก็นำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะตลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เดชพระให้ปลอมเท่านั้นเองมันต้งตลอมในวันยั่งยำคืนยังลุงได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะกิเลสพระให้ปลอม ถ้าตติปัญญาได้ยังก็ไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไม่สงสัยอืมนี่แหละเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่ผิดดูแสนสมยัยเนี่ยท่านบอกโลกุตนาธรรมมันเหนือโลกทั้งทั้งตีดอยู่ในโลกอยู่ในขนันมันก็เหนือขนันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อน รู้ตามมัจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยซึ่งเรียกว่าเหนือโลกเหนือโลกคือขังเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุณาธรรมแต่ว่าทําเหนือโลกนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคําว่านิพพานังปรามังสุขขังอันเดียวกันส่วนไม่สวดว่าเหมือนว่าก็อันเดียวกั น, ยนพยายามสวดกุศลให้ตัวเองนะ เดีย๋ยวไปคอยจะเอาผ้ามาสวดกุศลธรรมะยุง่งถ้าเป็นผ้าท่านไม่อยากยุง่งเนี่ยท่านลำคาท่านไม่อยากไปนอกจากผ้าหากินมันท่านจะจับไปเมือวันนี้คนตายนะก<ม>ุศลธรรมนะอานล่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ่ายถ้าผ้ท่านมุง่งอัจมุ่งทำท่านไม่สนใจเะไรท่านคีดเกียรยุง่งเวลาสอนให้กุศลธรรมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลารรมใหม่ะั่นันจะวา่างนั้นนะเอาละเอวัาง <c oughs> ถึงนี้แล้วหยุด <c oughs>